ก็ศึกษาในรายละเอียดการที่เราศึกษาในรายละเอียดแล้วว่าเห็นความเป็นไปมาสมมติออยาหนึ่งเม็ดเนี่ยประวัติมันเป็นมาอย่างไรเนี่ยหมอพยาบาลหรือเภสัชจะเรยนรู้ยาหนึ่งเม็ดประวัติมันว่รักหนึ่งรักษาโรคอะไรสองมันประกอบด้วยอะไรบ้างสาในสัดส่วนเท่าไหร่ส ร, เรส่เป็นอย่างไรหสีเป็นอย่างไร หกคุณภาพรักษาโรคอะไรและตัวยาที่ในนี้มีประกอบด้วยสารอะไรบ้างเนี่ยก็จะแจ้งมาไปอย่างเปอ็อ า, าอย่างทั้งหมดมันก็ทำให้เราได้เห็นที่ไปที่มาพอทานแล้วโรคมันหายเราก็จะไม่แปลกใจว่าไอ้โรคทำไมถึงหายเพราะมันมีตัวยาตัวนี้รักษาโรคอันนี้นะที่ลมหายใจก็เหมือนกันมีสิบหก อันแรกคืออะไรยมพิมพ์ไม่ต้องถาวคนไม่มีความจเป็นแต่ยมสำรองอาจจะจาได้อันแรกอันแรกก็โซสตปัสสติโซสตูัสสัติเมื่อหายใจออกก็รู้หายใจออกยาวโซสตปัสสัตติเมื่อหายใจเข้า ยาเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าอันแรกเนี่ยรู้หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะโซสตูอัศสติโซสโตูสสสตปัสสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คู่ที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคู่ที่หนึ่งแล้วอันที่สองทีคังว่าอัสสันโตหายใจเข้าให้รู้ทีจออังอัศ ส, สามีติหายใจออก ยาวรู้ที่คังว่าอ า, าสัสนตเมื่อนะเมื่อหายใจเข้ายาวก็ตามรู้ที่คังชาสมีติประชาก็รู้ชัดคำว่าประชานติรู้ชัดๆนะถ้าหายใจเข้ายาวออกตลอดชีวิตนี้เรารู้ว่ารู้ไม่ว่าเราหายใจเข้ายาวเท่าไหร่ออกยาวเท่าไหร่เคยรู้ไหมไม่รู้ถ้านับ หนึ่งสองสามเมื่อก่อนกรรมฐานอานาปนาสติให้นับนหายใจเ ข, าข้าเรานับหาใจหนึง่งสองสามตามนี่ยให้เราออกหนึ่งสองสามสี่ห้เมื่อก่อนเขาทำแบบนั้นเขาเรียกว่านับบางแห่งก็นับเป็นคู่บางแห่งก็นับเป็นคี่เนี่ยอานาปนสติทีนี้ลมหายใจนี่บางคนเขาก็ถือส่วนใหญ่เนี่ยถือเป็นกรรมฐานเลยนะ พี่เนี่ยถามหมดอาจาปาบอกว่าทํำลมอย่างเดียวเนี่ยคุ้มหมดเลยทำนะลมอย่างเดียวคุ้มหมดเลยทีนี้พวกเราทําไมไม่ทําลมก็ทําเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เน้นว่าต้องทําแต่ลมอย่างอื่นอย่างซูเราเคลื่อนไหวนี่เป็นท่าอะไรฮะเห็นไหถดิน น, นี่แล้วอย่าใส่เขาอ่าเนี่ยว่า <c oughs> เวลาล้มผัดโดนไหม่ว่าผู้แจกว่ามีล้มบ่มีล้มเบิ้งไปใหม่เป็นอย่างไรเออมันมันไหวไปไหวมาดังนั้นเทากัอย่าเบิ้งล้มเบิ้งยู่ยใส่เบิ้งมือวันเคลื่อนกับเบิ้งล้มแล้วเป็นบ่อะนี่คือวิธีของหลวงพที่ันเป็นฉลาดอออแล้วเขานั่งได้ดีเออว่าทัดดินนั่งตั้งโบทัดินบดีเปียลมแล้วเป็นบ่ที่เนี่ยการเที่ยวนั่งได้ การที่เรานั่งตั้งตัวอยู่ได้เดีวว่าถ้ดินแล้วนั่งเราเคลื่อนไหวได้เป็นธาตุลมนะแล้วก็เวลานั่งแล้วมันสบายหรือไม่สบายนั่งไปนานๆไม่สบายไม่สบายเป็นธาตุอะไรธาตุไฟอเวลาเปลี่ยนไปไปยัไงสบายไหมสบายดีขึ้นเป็นธาตุอะไรธาตุน้ํานี่เห็นไหมเราทำ แ, แล้วก็ทธาตุสี ีแล้วก็มาดูเอาธาตสีดินน้ำลมไฟด้วยการทำลงไปไม่ใช่มานั่งท่องดินหนอดินหนอดินหนอลมหนอลมหนอเป็น น, ปนั่งเพ่งลมเพ่งน้ำเพ่งไฟอันนั้นมันเป็นกรรมฐานอีกแบบหนึง่งแต่กรรมฐ า, านเราพูดเอาของจริงเลยยกเนี่ยเราดูลมแตลอเวลาแต่ลมที่เข้าออกรูกจมูกนี่เป็นยไงมันน้อยเกินไปมันบางเกินไปมองไม่เห็นแล้วก็เอาเอาลมที่มันเกิดจากมือเข้ามือออกนี่นี่เขาเรียกว่าทัดลมนะทีนี้อันที่ สาที่สี่อันที่หนึ่งที่สองก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันที่สามมที่สี่ก็หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้วหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวนี่คู่ที่สามคู่ที่ห้าที่หกหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้หายใจคู่ที่ห้าอันที่ห aw, ああ tu ้าท anyway. ี่ห <te acher. |tg|>. เข้าก็ให้รู้เข้ายาวว่าให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกยาวออกสั้นให้รู้เข้าสั้นก็ให้รู้ทีนี้ยกมือคิดว่ามันยาวตลอดบาทียกมือทั้งสั้ น, นอะบางคนยกมือไม่ครบสั้นๆคือยกไวอะยกสั้นๆยกยาวๆหมายความว่ามันช้าสมว่ายกช้าๆนี่มันกินเวลาเท่าไหร่สิบวิอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ายกไวกินเวลาเท่าไหร่ สามวิสั้นนี่พวกยกพวกยกไวมันสั้นคือมมายนับที่เวลายกพอแป๊บๆนี่นพวกนี้พวกสั้นสติก็จะสั้นแต่วพวกยกหนักยาวก็สติก็จะยาวเห็นไหมนนครบฮะเอาก็ไม่ฝืนช้าตามสบายไม่ใช่ช้าแบบหายใจเข้าคือมันก็ฝืนนิดหนึ่งถ้าไม่ฝืนเลยน้ำ ฝนตกลงมาถ้าไม่ฝืนมันได้ไปไงลงทะเลหมดถ้ากั้นมันไว้ฝืนมันไว้หน่อยมก็ออขึ้นแล้ว <laughs> ถ า, าก็เป็นคนเร็วก็จะทําเร็วคน ช, าคชา้าก็ทําช้าแต่คนพอดีก็จะทําปานกลางแต่คนเร็วนี่ไม่ทําเลย <laughs> คนเรวนี่ไม่ทําเลยภาษาไทยมันประหลาดจริงเนี่ยออคนเร็วนี่ <laughs> เขาอบอกเขาบ อ, อกเห็นไหอหลวงพอเทียนเน่ยเป็นเป็นเลี้วเพนนะทำเลวเนี่ยคนม่าแน่ใจว่าทำดีทำเลวเอ๊ะมันก็ทำเรี้ยก็ทำดีได้คนละเรื่องเลยเรียวทำเลี้ยวอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี Shame ่ยหายใจเข้าหายใจออกคู่หนึ่งหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคู่หนึ่งหายใจสั้น อสันจะออกสั้นคู่หนึ่งนะีต่อมาอะไรต่อมาก็สพกายะปฏิสังเวทีอศาศัสมิสิกติหายใจเข้าเราจะศึกษา ว, ว่าเมื่อหายใจเข้าจะรู้กายเฉพอะเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจะหายใจออกอศาศาัสมาอาศะรวมหายใจออกปัสสาหายใจเข้า ลมอัศสาสะปัสสาสะคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเจ้าชายศิษฐากั้นลมอัศสาสะปัสสาสะกั้นลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้านํามาแล้วเกือบตายไม่บรรลุแต่เราก็ไปทําตามอีกของพรามณ์มีดิเทชั่นออาหายใจเข่าเพื่ออะไร เห็นว่าลมหายใจเข้าออกนั้นมันมีอยู่แล้วก็เลยเอาตัวที่มันมีอยู่เนี่ยว่าเป็นกรรมฐานแต่หารู้ไม่ว่าอาการของลมเนี่ยไม่ใช่ลมที่ลมจมูกอย่างเดียวเอาอาการของมันอาการเคลื่อนไหวที่ว่าเมื่อกี้เป็นลมใช่ไหมอาการเนี้มันเป็นลมขึ้นมาแล้วเอาอาการอาการของลมเอาไหนก็ได้อืมส่วนไหนก็ตามที่มันเคลื่อนไหวรู้ส่วนนั้นมันก็เป็นลมเป็นธาตุลมนะ แทนที่จะเอาลมเฉพาะที่จะหมูใช่ไหมเราลมไปไงลมทั้งตัวเลยถ้าเคลื่อนถ้าเคลื่อนไหวท่าท่าใหญ่มันก็ลมยาวเหมือนลมยาวใช่ไหมถ้าเคลื่อนไหวตัวเล็กๆมันก็ลมสั้นเห็น mm. ไ, ไหมอันนี้ไม่ใช่เตะประตูเข้ากูเตะบอลเข้าปตูประตูตัวเองนะ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆลมสั้นลมยาว สภกายปฏิสังเวทีอาศิสามีติอันเนี้ยคู่ต่อมาเป็นคู่ที่เจ็ดที่แปดได้ใช่ไหมต่อมาก็ปัจสัมภยังกายสังขารังใช่ไห ม, มเมื่อจะศึกษาว่าเราจะทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่แล้วจะหายใจเข้าหายใจออกอีกคู่หนึ่งหมายเขาว่ากายสังขารขณะนี้กายสังขารเป็นไงร่างกายของเรารู้สึกสบายหรือไม่สบาย ถ้าไม่สบายก็ให้รู้แล้วก็ทำให้มันสงบระงับทำไง น, นั่งๆปวดๆได้ดไหมสงบแล้วงับเบงได้ไหมนั่นดิดทำง ไ, ไทำงต้องทำงแน่ประสัมพย์ยา ง, งกายญสังขารลังคือทำอร่างกายที่กายสังขารหความความมันปรุงแต่งเย็นร้นอนอ่อนแข็งเค้งตึงเนี่ยจะทำให้มันสงบระงับได้ไง ก็ขยับนิดหนึ่งสงบระงับเรยใช่ไหมรู้เนี่ยเคลื่อนไหวรู้เนี่ยเข้าออกแล้วในต่อมาตัวทำกายสังขานงรนั้สงบระงับอยู่ต่อไปก็เป็นปีติใช่ไหมปิติปฏิสังเวทีอศาศามีติสกติ ถึงทางความศึกษาว่าเธอทําความศึกษาว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหมายคว่าพอทําไปนานๆเนี่ยร่างกายมันจะเบาไงปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาปรับเพิ่มให้สมร่างกายมันจะเบาสบายปีติมันก็เกิดวันนี้มีปีติบ้างไหมวันนี้มีมีนิ ด, นด ห, นหน่อยๆยุมย่มๆยิมย้มๆไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยพลิกปัสัมพญากาแยสังคารังของเราไม่เข้มแข็งไงนั่งแช่อยูนะ่เนี่ยสามนาทีห้านาที สิบนาทีแล้วขี้เกียจไงไอทําความเพียนอยู่นะไม่ใช่แต่มันขี้เกียจเออเป็นเรื่องแวลกนะเอไปหาว่าฉันขี้เกียจฉันทําทั้งวันหาฉันขี้เกียจเองคือขี้เกียจในการปรับการแต่งให้มันปัดสัมพยางไม่มีปัดสัมพยางคือมันมันหนักมันหนืดมันง่วงมันเน็บตรงนั้นแทนที่เราจะปรับนิดปรับหน่อยให้รู้สึกตัวใช่ไหมอันนี้ก็นั่งแช่อยู่นะขี้เกียจนั้นเพียนอยู่แต่ขี้เกียจ เข้าใจไหมนั่นแนหะคือขี้เกียจในการปรับชิดก็นั่งชีอยู่เนี่ยง่วงก็นั่งง่วงอยู่เนี่ยไม่ยอมปรับนั่นขี้เกียจแล้วนั่นนะ่ะเพราะนะักข่าว่าขายันคือยันแก้ปัสสัมพยังกายแสังข้ารังอา ศ, าศามีติสิคติเห็นไหมถ้าเขาไม่อธิบายก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าพงพ่ออธิบายก็ว่าอ ง, องพ่อปริยัดเยอะไม่อธิบายก็บ่กไม่เข้าใจหลวงพ่อบอเอาไม่เป็นไรทั้งคืนทั้งร่องก็ว่าว <Okay, S 1> กันไป แก้ปัญหายังไงก็ว่ากันไปโอ้หลวงพ่อไม่ได้พูดเยอะแยะไปหมดไฟนู่นเลยบางคนไมไมันไม่เอาโดยไม่สะท า, าก็ว่าไปเลื่อยเปลือกมันแหละอันทีนี้ต่อมาเมื่ อ, อปีติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีติทางกายแปลว่าเบาสบายเบาสบายกายปีติวิปัสนานไม่ใช่ปีติแบบว่าทั้งห้าอย่างนะภารณาปีติอุกกาาปีติปีติ อื่นเต้นต น, น้ำตาหลอดน้ำตาไหลอันนั้นปิติของสมถะปิติของวิปัสสน า, านก็คือทํากายเบาใจเบาก็ใช้ได้ละรู้สึกแช่มชื่นใช่ไหมอันนี้นั่งแช่หน้าซีหน้าเซียวหน้าเขียวหน้าดำอันนี้เขาเรียกว่าอ่าเออนัอนนั้นนั้นนั้นเขาเรียกว่าปิติแบบเผือไปปิติแบบว่า เป็นโกดจิตอะโกด้่นเข้านั่นเข้าก็ให้ขึ้นมาเลยแล้วก็บอกปิธีเหมือนกันพิธีซับซ่านพิธีบรรเลงโกรธโผลอะไรนะอุกันกาพิธีวิธีทั้งห้าเนี่ยมาว่าปิติของสมถานนะแต่พิติของพิปัญนาคือพิติแบบสบายสบายเบาเเย็นเย็นสบายสบายเอาต่อมาคู่ต่อมาว่าสุขะปฏิสังเวทีอาศะวิติสิกติใช่ไหมปิติแล้วก็สุขทีนี้ พวันปิติความเบาสบายสงบรู้สึกโอ้ใช่มชื่นเขาเรียกว่าได้อารมณ์อารมณ์ได้อารมณ์รู้ทำโอ้สุกเน็ตไม่รู้สึกเหนื่อยสบายทําไปร้อยๆเวลาก็ผ่านไปไวไปๆแบบเดี๋ยวเดีๆหนึ่งทงั้งๆที่ทั้งวันนะใช่ไหมแต่ว่าหวันนี้ทํามันยาวเลิกินมันานจบเลิกงนนี่ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขเลยเหมือนเนี่ะไม่มีปิติเลยไม่มีปิติหล่อเลี้ยงเลยมันฝืนมันฝืนเลิกกันนี่เขาเรียกว่าไม่มีปิติ แต่ถ้าหาคนไหนได้ปิติแล้วมันช่มชื่นเนบิกบานม่ได้ดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะครบสามชั่วโมงทีน่าฉันจะได้ไปเล่นฉันจะไป น, นอนทักทีอะไรนี่ไม่มีนะมันลืมไปเลยทั้งวันน ะ, <c oughs> เ, พะเพราะเพราะตั้งใจที่จะปรับแก้บางคนนั่งได้นานจริงแต่ว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนร่างกายมันหนักมันหนืดแล้วไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนแล้วช่งแช่อยูน่น่แหละ <c oughs> ที่เียดนะเอาต่อมาคู่ต่อมา เมื่อสุกแล้วก็ต่อไปก็กายะสังขารังเอมันความจริงก่อนที่จะเป็นไอสภักกายะปริสังขเวทีพราว่ากายะสังขารเริสังเวทียมสีนวลมัวแต่ไปนั้นไม่ได้ดูให้ใช่ไหมมันข้ามไปข้อหนึ่งกายะสังขารังกีใช่ไหมไม่ตอนนี้จะถึงเรื่น่าจิตตะสังขารแล้วไม่ กายแสังขารปฏิสังเวทีมันมีข้อก่อนที่จะถึงสภาพกายะปฏิสังเวทีอ่ะพี่ไปข้อหนึ่งกายสภาพกายะยปฏิสังก่อนที่จะถึงข้อนั้นเป็นกายแยสังขารกายะสังขารมีไห ม, ไ ม, มไม่มีนะโออไม่ไม่ถัดมาถัดไอ้ก่อนก่อนที่มีกายะไม่มีนะอ่าไม่ข้ามนะ ต่อไปก็เป็นจิ ต, ตะสังขาระปฏิสังเวทีอศาศาัสสเมตติสิกะทำจิตตะสังขารรู้รู้เฉพาะซึ่งการปรุงแต่งจิตพอจิตเป็นปรุงแต่งก็รู้อยู่เราหายใจเข้ายกมือขึ้นจิตเปนปรุงแต่งก็รู้อยู่ยกมือลงจิตปรุงแต่งก็รู้อยู่ <st> เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คําว่าเปลี่ยนในนั้นว่าหายใจเข้าหายใจยกก็ยกมือขึ้นยกมือลงซะอศาศาัสสเมตติยกมือ ขึ้นไปะ ส, ะสัตวิติยกมือเข้าเนี่ยเพราะว่าเราเอามือนี่แทนลมใช่ไหมเราก็แปลเส้นใหม่ถ้าหลวงพ่อแปลหลวงพ่อว่าทํำรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการจิตปรุงแต่งยกมือขึ้นรู้พร้อมเฉพาะจริงๆปรุงแต่งยกมือลงกันเนี่ยหลพ่อจะแปลไปอย่างนั้นทีนี้เจ้าตำหรับตำลาทั้งหลายก็จะโวยวายใหญ่เลยเนี่ยเอาพี่ยน เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะให้เป็นไปตามสิ่งที่เราทําอ่ะเราไม่ให้ตาราบังบังคับเราเราถ้าบังคับแต่ลาให้เป็นเนสิ่งที่ความเป็นจริงที่มันเป็นสนอดคล้ อ, องที่เราทําเปลี่ยนแปลงได้นะเดี๋ยวเขาจะกล่าวตูว่พระพุทธพจน์ไปนู่นเลยไปไกลเลยพวกนั้นเอาต่อมาปัจสัมพยังจิตแต่สังขารังใช่ไหมปัจสัมพยังจิตแต่สังขารังอศา ศ, าศาัยสมิติสิกตดี รู้พร้อมรู้พร้อมเฉพา ะ, พพาะการจะทํากำจิตจะสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจออกใช่ไหมหมายจะทําจิตที่มันกาลังคิดเนี่ยให้รู้เราก็ยกมือขึ้นลงนก็ยกให้รู้ยกมือลงปั๊บเนี่ยพอมารู้ขึ้นลงชัดๆจิตจะสังขารไปไงยังอยู่ไหม mm hmm. ปุงแต่งไปแล้วใช่ไหมแต่ที่มันมันยกไปคิดไปแสดงว่าการยกมือนี่ชัดไหม ไม่ชัดไม่รู้พร้อมเฉพาะไปรู้อย่างอื่นด้วยไม่มีปฏิสังเวทีไม่มีปฏิสังเวทีไปรู้ไม่รู้พร้อมเฉพาะชื่อมือยกขึ้นยกลงเนี่ยมันก็เลยไปคิดได้ทีนี้แล้วก็ปัดสัมพยังซะปัดสัมพยังจิตตสาขารังอสซาบิติสิกติเอาความศึกษาว่าจะทําจิตจสังขารการปรุงแต่งจิตให้สงบระ ง, งับอยู่จะยกมือขึ้นยกมือลงยกมือเข้ายกมือออกนี่ ต่อไปก็เป็น อ, อภิปโมจ ย, ยังหรือเปล่อาอาภิปโมจ ย, ยังจิตตังอสสามิติสิขติเราจะารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตายโมด ย, ยิ่งอยู่เนี่ยเห็นไมถ้าไปเกิดอาการเบาสบายไปเกิดกับจิตท่านเรียกวปราโมดถ้าไปเกิดกับกายหรือว่าปีติมีคิดเป็นหมวดทางกายใช่ไ้ยปีติ พอไปเกิดกับจิตเรียกว่าอาภิปโมทจะยังปาโมทฉังมีความปรโมทยิ่งอยู่ความแช่มชื่นเบิกบานจิตร่างกายไม่แช่มชื่นเบิกบานนะแต่จิตแช่มชื่นเบิกบานแต่ร่างกายมันเบาสบายปีติตแปลว่าเบาสบายแต่ว่าจิตเนี่แช่มชื่นเบิกบานว่าปโมทยิ่งอยู่นะดูพร้อมเฉพาะซึ่งจิตปาโมทยิ่งอยู่จะหายใจเข้าหายใจออกอภิปโมทจะยังทั้งอศัศสาสะอันปสาสะ ต่อจากนั้นก็เป็นวิโมจ ย, ยังใช่ไหมอ่าสมาธาหังก่อนนะสมาธหังจิตตังอสสามิติสิกขตินะเ<ส>มื่อจิตตั้งมั่นอยู่จะหายใจเข้าและหายใจออกพอมันประโม่แช่มชื่นเบิกบานเหมือนท่านบอกว่าในช่วงนี้ประโม่แช่มชื่นเบิกบานเหมือนกับฝนมันโปรยอ่ะมือนก็ฝนโปรยหิมะมันโปรยมาพอหิมะตกฝนตกแล้วมันเย็นสงบฟ้าหลังฝนเรียกว่า จิตจะแต่ถ้าหักในนั้นท่านใช้คว่าสุขะปฏิสังขเวทีตอนในนี้ท่านใช้สมาธหังเห็นไหมท่านไม่ใช่วนะ่าจิตจิตมันสุขนะแต่ท่านจิตมั่นคงนั่นแหละถ้าเคยจิตสุขแล้วแต่พอมาใช่กับกายนะท่านใช้คาว่าสุขแต่พอมาใช่กับจิตท่านใช้สมาธหังคือจิตตั้งมั่นนีเป็นสมาธ<ไ>ิเลยใช่ไหมสุขเกิดจากสมาธิท่านใช้สมาธหังจิตตั้งแล้วพอมันตั้งมั่นดีแล้วมันถึงจะปล่อยวางเป็นวิโมจะยังใช่ไหม วิโมจะยังจิตตังอาจะทามีติสิกติเมื่อจิตปล่อยวางอยู่หายใจเข้ารู้รเฉพาะเฉพาะซึ่งจิตปล่อยวางอยู่แล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออก enfin วิโมจะยังจิตตังพราะทีนี้ามาตัวอีกอนนรู้เฉพาะซึ่งจิตอะดูจิตเป็นแล้วที่มันจิตตังจิตจตะปฏ mm. ิสังเวทีอาจจะทาบมิติสิกติรู้เฉพาะเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าหายใจออก พเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอจิตมันจะประโมดแช่มชื่นปล่อยวางตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันถึงจะดูจิตออกรู้ช้อมจะดูจิตเป็นเห็นไหมไอการที่จะไปดูจิตเป็นมันจะต้องผ่านทั้งอะไรทั้งกายทั้งจิตทั้งประโมดทั้งอ่าอ น, นั้นมาแล้วถึงจะมาดูจิตออก จ, จู่ๆไปดูจิตไม่ได้มันต้องฝึกากายเนี่ย กับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยให้ชัดเจนมากๆเลยจนเกิดปีติเกิดปาโมดมากๆถึงจะเห็นจิตชัดเหมือนจิตมันมันน้ํามันใสแล้วทีนี้จิตมันใสแล้วมันก็ขุ่นมันก็นิ่งเห็นชัดอ่าต่อมาวิราคาหรือว่าอนิจจาก่อน อ, อนอิวิโมเจยังอ่ะวิโมเจยังว่ามาแล้ว น, นะเมื่อกี้นะวิโมเจอ่าปล่อยวา ง, าลวางแล้วก็จิตจะไปสังเวที อนิจจานุปัสสีและทีเนี้ยพอไปเห็นจิตเป็นก็เห็นว่าจิตมันนิ่งหรือไม่นิ่งไม่นิ่งเงี้ยจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันไม่คิดเดี๋ยวมันพอใจเดี๋ยวมันไม่พอใจเดี๋ยวมันขี้เกียจเดี๋ยวมันขยันแกว่ไงไปแกว่งมาเริ่มเห็นอาการเรียกว่าอานิจจ์พอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าที่เกิดปัญญามันเกิดวิลาคาใช่ไหม ใช่ป่ะวิลาคาเกิดข่าเบื่อหน่ายทำไมจิตกวนเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวว่าจะเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวจะเอาอย่างนู้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ตั้งใจไว้จะทำนี่มันทําไม่ได้เบื่อหนายตัวเองแต่ถ้าเบื่อหน่ายตัวเองก็ไปเบื่อหน่ายคนอื่นแล้วที่นี่เบื่อจังกูมาพูดกับกูบ่อยจังไงเลมน้องนั่นเพราะฉะนั้นก็จะเบื่อหน่ายทอันนเกิดปัญญาเห็นอ๋อจิตเป็นอย่างนี้เนาะไม่แน่เนาะ เราอยากจะทำมันกับไม่อยากทำเราจะคิดอย่างมันไม่อยากไม่เป็นไปตามใจอ่ะไม่ได้อย่างใจอ่ะมันก็จะเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยวิลาคาโนภาษีพอะวลาคานั้นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากคิดละเฉยๆละวางตอนนี้ถ้ามันคิดสนุกอยู่แสดงว่าวิลาคาเป็นแล้ยังยังไม่เป็นเพราะมันอยากจะคิดนอนคิดนี่สนุกอยู่ยังวิลาคาไม่เป็นเนาะเราก็ จะต้องกลับไปทวนใหม่กลับไปทวนโน่นไปดูตั้งแต่ยกมือเข้าเอามือออกไตามาใหม่ถ้ามันยังไม่เบื่อนะมาถึงขั้นใดเนี่ยมาถึงขั้นที่ยังจะเข้าขั้นต่อไปต้องทําขั้นตอนทั้งหมดที่มามาก่อนนะไม่ใช่ไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ไอ้ขั้นตอนได้น้าลืมหลังไม่ใช่อย่างนั้นสมมุติว่าจะไปรู้เรื่องของการปล่อยวางก็ต้องรู้เรื่องว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจสั้นยาวรู้หรือยัง ถ้ายัางตรงนั้นไม่ชัดไปถึงตรงนั้นเหลวไปต่อไม่ได้ ไ, ได้หน้าลืมหลังเหมือนท่องหนังสือใช่ไห ม, ไมอุดอไม่ไปไม่ถึงนี่เพราะฉะนั้นในการกรรมฐานเนี่ยการที่จะก้าวไปข้อต่อไปหมายความข้อต้นๆ้นต้องทำได้ก่อนทาให้ชํานาญด้วยทําให้เกิดเป็นวิสีชำนิชํานาญพอชํานาญแล้วถึงจะไปขั้นต่อไปได้เหมือนท่องหนังสืออ่ะไอท่องไ อ, อตรงนี้ให้ชํานาญก่อนที่จะต่อบทต่อไปแต่บทนี้ไม่ชํานาญไปต่อบทต่อไปไปไง ไม่ได้ลืมนะเหมือนกันการที่พอมาถึงตัวอตอนนี้มาถึงนี่โรธานุบสีใช่ไ่าว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการดับไม่เหลืออะไรดับไม่เหลือจิตที่พอเรามารู้มันเมื่อกี้บอกว่ามันปรุงมันแต่งใช่ไหมพอเราดูแล้วมันดับปุ๊บเมื่อก่อนมันดูแล้วมันดับมันยังเหลือรู้แล้วมันยังคิดเฉยอยู่ รู้แล้วทาท่าจะเรือบจะหมดเอาเดี๋ยวแวะคิดใหม่อีกมันมันไม่มันเหลืออยู่แต่พอสติมันแรงเข้าแลงเข้าดูปุ๊บพิกไปเลยไม่กลับมาอีกเลยร่างกายเกาชัดเจนความรู้สึกกาชัดเจนเนี่ยดับไม่เหลือนิโรธา น, นุปัสสีเนี่ยพราะมันดับไม่เหลือแล้ว ส, ส, สลัดไปให้ไกลปฏิทานิสัานุปัสสีปริสังเวทิอัสส า, ามิติสุกติหายใจเข้าก็สลัด ทิ้งไปไกลๆปฏินิสาคารู้พร้อมเฉพาะซึ่งการสลัดคืนน่ะในนะ้นคำว่าสลัดคืนมันมาทางไหนก็ไปทางนั้นความคิดอ่ะ <Okay. S 1> มึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเอ <Okay. S 1> แต่ว่าจริงๆเรารู้ขนาดนั้นไหม <Okay. S 1> อ่ากอดมันไว้เลยแทนที่จะผักสายไล่ทรงสลัดมันเนี่ยไ <Okay. S 1> อความคิดมึงอย่ามายุ่งกูมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นไล่มาเรื่ยๆเ <Okay. S 1> ออได้นะเ <laughs> ออทุกครั้งนี่เขาเรียก ว, ว่าตัดอะไร อ่นนานอะไรโยตัดอะไรไม่ง้อที่จะคิดไม่ง้อในการที่จะไปยุ่งกับความคิดสลัดทิ้งไปนี่เรียกว่าปฏิทินสขานุปัสีวิหารติอันอันนี้สุดท้ายแล้วจ้ยปฏิทินสขานี่โรธาสุดท้ายปฏิทินสขาน่ะสยถ า, าปิภะมะ ก, กาโลมาภะา ก, กาลันเตวาสีวาใช่ไหมเปรียบเสมือนนายช่างกลึง ยมอมจำรองเคยเห็นไอ้เขาลงตีมีดไหมลงแตะเขาเรียกว่าตเสาเนาะทางทางเหนือนะที่ลงที่เขาเขาสูบลูกสูบอ่ะมีสองลูกสูบอ่ะ mm. เพื่ออะไรเพื่อจะเอาลมที่เราไปเป่าฐานให้มันแดง mm. คือสมัยก่อนเขาไม่มีพัดลมเดี๋ยวนี้ไม่ไ ม, มีแล้วลูกสูบอ่ะ เปิดพัดลมปิ้งแล้วก็เข้าท่อเป่าตลอดเลยแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้พัดลม น, นะเราก็ใช้จับไอ้สองสูงท่านบอกนั่นคืนอเหมือนนายเชิงกลึงผู้ชำนาญ น, นะลักษณะของการกลึงเหมือนกันนะเวลาเขาดึงเมื่อก่อนน่ะมะ ก, ก็ไม่รู้นะกลึงแบบไหนตอนที่ไปทำกรดเคยทำกรดใช้ด้วยตัวเองหลวงพ่อคำเขียนในบณสอนสอนวิธีไอ ไอ้กลึงตัวหัวกรดอะกดที่เราจะทําเป็นซี่ไปเลยนะเอาไมา้ชิงชันหรือไม้มะข่าเนี่ยมากลึงให้มันกลมๆแล้วก็ทําเป็นข้ามไปตอนที่จะเสียบไอ้ก้านกดเข้าไปเนี่ยต้องทําเป็นมีวิธีทําโยงสายเบ็ดขึ้นมาเลยชักกู้มันดีขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ไปปัน่นกลึงอันเดียวนี้เครื่องกลึงมันไฟฟ้านะหมุนติ้วแล้วก็หมุนจับลูกลอก ก็ปั่นให้ได้รูปได้ลอยของมันนะเหมือนกันนะแต่ช่างกลึงด้วยมือนกึกว่าชักขึ้นชักลงเหมือนการช่างกลึงและลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชนานํานาญพมะกาลันเตวาสีวาอืมฉันใดก็ฉันนั้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกให้รู้เหมือนเรากลึงเชือก <c oughs> <c oughs> หายใจออกหายใจเข้ารู้นะ <c oughs> ด้วยอาการอย่างนี้แหละก็เข้าไปสู่อิติอชิตังวานะ จำได้นะี่ยไม่ต้องจําแต่เข้าใจได้ใช่ไหมที่พูดเขามันยนะเข้าใจได้เอาได้เข้าใจก็บอกไ ม, อไม่ต้องจําการจําเนี่ยเหมือนว่ากินผลละไม้ทั้งผลแต่การเข้าใจเนี่ยเหมือนตัวรีดเอาแต่น้ํามันมาดื่มแล้วเอากา ก, กมันทิ้งไปให้ายๆอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เขาก็ปันขอน้ําใช่ไหม ประเภทเครื่องแยกกากแยกน้ำอะ่ะประเภทอย่างนั้นเราก็พิจารณาคำว่าของวุติเชียวแบบนั้นแยกเอาสาระคือความเข้าใจเอาไปใช้ได้เลยส่วนกากมันโันหนังสือเก็บไว้ตรงนั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาบีบพอต่อไปอีกอันนี้คือความหมายจุดนี้นะทั้งหมดสิบหกคู่แปดคู่ใช่ไหมสิบหกอย่างแปดคู่เขาเรียอกอานาปนาสติสิบหกเพราะฉะนั้น คนเรียนเนี่ยถ้าตีตำราไม่แตกเอาความหมายนั้นมาปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นการตีตำราแตกก็ตีบทแตกหมายของว่าจะไปเรียนอันไหนก็ตีบทแตกอันนั้นโอ้คุณจะไปทําลมหายใจแล้วมันงงไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่ลมเข้าลมออกที่จมูกอย่างเดียวกูเคลื่อนมือทีคนะ่คุณน่ยก็คืออาการของท่านลมใช่ไหมคุณนั่งได้อาการของท่านดินคุณนั่งแล้วมันปวด อ, อาการของท่านไฟคุณลุกขึ้นแล้วมันเบาอาการของท่านน้ำดีน้ำโดนไฟมันพร้อมอยู่ยตรงนั้นน่ะ นี่เขาเลือกตีบทแตกคือหมเขาบูรณ า, า, าการไปสู่อาการอย่างอื่นด้วยในการศึกษาสมัยใหม่เขาใช้ความบูรณาการไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเสมอไปสองบวกสองเป็นสี่บางทีสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าสองบวกสองเป็นสี่นี่นี่คือยักเยนเ็นแปลงแปลงไปตามความเหมาะสมแต่ผลออกมาอันเดียวกันใช่ไหมแปดไม่ใช่สี่บกสี่เป็นแปดหกบวกสองก็เป็นแปดได้ห้าบวกสามก็เป็นแปดได้ เอเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือหลักของการศึกษาพุทธธรรมให้ปรับไปตามความเหมาะสมของเราอืไม่ใช่ว่าเ อ, อผิดไปจากแบบนี้ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้านันน่นนี่คนไม่มีปัญญามันก็จงเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาเชื่อกันหัวทังหัวแท้โยมคนไปติดคําสอนพุทธเจ้าพวกพุทธวจะนะทั้งหลายนะเออเยอะโอ้โหถ้าใครไ ม, ม่ศึกษาพุทธจนะเราไม่ใช่อพวกนี้เคี้ยวผลไมาทั้งเปลือกทั้ง ติดคอ อ, อึกอักแล้วมานั่งเถียงกันมึงถูกกูพิดอยู่นั่นนะน่าสมเปสจริง ๆ, ๆนะีเพราะฉะนั้นเองก็เมื่อวานโยมคนหนึ่งแกติดเรื่องพุทธวจนะเนี่ยอเอาโยมที่ปฏิบัติพุทธแล้วได้ผลยังจะมาให้ามาฟังมาก็เลยเล่นไปซะโอ้ไม่มาวันนี้ไม่มาเลยโ <laughs> ยมจะคลั่งไคล้ไหลหลงอะไรขนันเชื่อเลยเออทาไมไม่เชื่อตัวเองไปเชื่อคนอื่นทําไม <laughs> พอเจอลูกนี้เข้าไปไม่มัไม่กลับเลย ถ้าคนเนี่ยถ้าไม่ไว่ยายงั้นจริงๆมันไม่เอานะมันคือบางทีก็หยาบจริงๆแล้วก็รูปความคาไม่ได้ต้องตีแรงๆนะ่ะถึงจะรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเราต้องการรักษาความจริงได้จะมัวๆเกรงใจรูปหน้ารูปหลังก็อยู่มันไม่ได้ <c oughs> มันมันไม่เข้าถึงความจริงสักทีหนึ่งสมมุติว่าโยมไปผ่ามนากับผ่ามค่าเนี่ยการผ่าต่างกันไหมมะข่ารู้จักมะข่าไหม เอมารู้ามะขาแต่ว่าแต่่าคงผ่าเหมือนกันเอามาเผาแห้งกันแล้วกันมะข่ามัก็ขามันนึกรวยแ่มาเผาแห้งการที่จะผ่ามาแตงัวกับผ่ามะพ้าแห้งเนี่ยต่างกันไหมใช่ไหมแต่รูปมันก็เท่ากันทำไมใช้แรงไม่เท่ากันไอหนึ่งมันอ่อนผ่าง่ายๆมันก็ได้เออมันแข็งคนเหมือนกันอะ ถ้ามันอ่อนมันโยนมันรับง่ายมันเชื่อฟังมันทําความค่อยใจได้ง่ายก็เออไม่ต้องไปทําแรงอ่อนๆก็ได้ผ่านิดเดียวก็ป่าแล้วทะลุแล้วใช่ไหมแต่อีคนมันจะเอาตามเรื่องตามเราว่าดันทุลังไปไงสับมันแรงๆหรือเมือกี้มันไม่ผ่านไม่ออกแต่ก็แตกไปเลยผ่าต้องได้ยินนะผ่าแรงๆกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักในการที่จะ ให้กับคนเอาอย่างนั้นบางครั้งใครจะชอบไม่ชอบมาไม่สนนะพ่อขอให้ได้พูดความจริงพระไปว่าผู้พูดความจริงนะแต่คนพูดความจริงมักจะตายเสมอนะั่ความจริงไม่ตายก็ไม่ว่ากันนะดังนั้นเรื่องคําสอนพระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าหากเรียนให้เป็นมันสนุกนะมันมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราเรียนไม่เป็นโอ้โหน่าเบื่อย่าตายนะเพราะอะไรเพราะคนมันไม่มันตีบทไม่แตก ละครเรื่องเดียวกันนะ่ะอีกคณะหนึ่งมาแสดงโอ้น่าเบื่อที่สุดอีกคณะหนึ่งโอ้สนุกทั้งเรื่องเลยนะแต่ละครบทเดียวกันเรื่องเรื่อ ง, เ, อ ง, ดอดงดดเดียวกันอีกคณะหนึ่งดนตีบทแตกมาเล่นสนุกสนานคนฟังแล้วเฮตลอดชั่วโมงแต่อีกคณะหนึ่งก็เล่นทุคนง่วงหลับทั้งชั่วโมงเหอกันแต่บทเดียวกันบทเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานอีกฝ่ายหนึ่งเอามาสอนเนะี่โอ้ปฏิบัติแล้วมันน่าเบือ่อหน่าขี้เกียจ น, น่ายลำคาญ แต่อีคนออกมาสอนเราะมันสนุกทําไปแล้ว เ, เห็นไปสนุกไปดังนั้นเรื่องเหล่านี้เราก็นํามาศึกษาเพื่อจะเห็นว่าคําสอนผู้เจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นของมีชีวิตชีวาถ้าเรามาเห็นเป็นของตายอยู่เนี่ยเราจะไปโทษพู้ทีเจ้าไม่ได้นะโทษใคร โ, คโทษคนสอน โ, อ <laughs> โทษคนสอนเลยสอนไม่รู้เรื่องสอนเราทําให้ง่วงเนี่ยอเอ เอามาเคยเรียนประโยคสามตกอยู่ปีนะประโยคสามพรอะะอาจารย์คนที่มาสอนเนี่ยโอ้ยสอนเรามันนั่งง่วงเราจะถามก็ไม่ได้ถามเราโกรธเราอีกนะไม่ยิ้มเราตอบไม่ได้แม่ไปปุ่สอนให้แต่นั่งง่วงในยังแกล้งง่วงแกล้งงังแต่ที่นี่แม่ไปป่นไปนั่งง่วงไอ้เขาดู กแกจะว่าด้วยพี่คุณของพ่อสมหวนเรานี่นะนั่งที่ไรก็หลับเอางั้นแหละหลับแต่สุภาเขาบอกเขาตื่นนะรู้สึกตื่นแล้วเบิกบานแต่บางครั้งมันทํางานเยอะเกินไปมันก็หมดไม่ใช่บางครั้งทํางานเยอะเกินไปไม่ได้พักนะเนาะร่างกายมันสู้ไม่ไหวดิความจริงท่านก็มาได้ง่วงแต่มันง่วงโดยไม่รู้ตัวอายุด้วยวบางทีก็อ่านไซเมอร์ไม่รู้ตัวด้วย เพราะนั้นจุดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะอันเซอร์เมอร์พวกที่กรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าไม่ทํากิจกรรมอะไรอื่นกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยอันเซเมอร์ได้นะจิตมันว่างเกินไปใช่ไหมไม่มีกิจกรรมทํำเหมือนคนไม่ได้ทำงานมันลอยแล้วะจริงเพราะไม่เกี่ยวข้องกับสื่อกันอย่างป้องกันอันเซเมอร์ได้จะพูดอยู่เฉยป้องกันอันเซเมอร์ได้ในหัวมีเรื่องทําเรื่อยเลยนะป้องกันอันเซเมอร์ได้อย่างดียิ่งแก่ล้วยิ่ง ยิงว่องไวใช่ไหมยิงแกยึ่งทืท่อๆเสื่สอเสือ่อๆเออเพิ่งเรียนผู้สูงอายุก็อันนี้แล้วแต่ใครแต่มันนนั้นเราไปว่ากันไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแล้วเราต้องใช้ให้เป็นน่ะนั้นเองก็อยากจะให้เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าทุกหมดทุกตอนใช้ได้หมดไม่ใช่ว่าอันนั้นดีแต่ประการสําคัญเราต้องตีบทให้แตกประยุกษ์ใช้ให้เป็นนะถ้าตีบทให้แตก ไม่แตกประยุกต์ใช้ไม่เป็นเราจะว่ากรรมฐานของอาจารย์องนั้นดีอันนั้นไม่ดีมันไม่ได้นั้นแรดงว่าเราเองไม่เข้าใจเองก็ เ, เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปสอบไปถามไปตามไปปฏิบัติให้มันชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะสติปัญญาของเราแต่ละคนไม่เท่ากันบางทีครูบาอาจารย์อาจสติปัญญาน้อยม า, มากกว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนสติปัญญามากกว่าครูอาจารย์ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าประยุกต์ใช้ เป็นหรือไม่เป็นนะนะ <c oughs> นั้นเองในส่วนหนึ่งที่มาเห็นคือเ น, นื่องจากอามาเนี่ยเป็นคนอะไรอ่ะคนหยาบคนสะเพร่าคนเรียวไม่ใช่เรียวนะเอเรียว <c oughs> ไม่ใช่คนเรียวคนยาวคนจะจับจดสะเพร่าประมาทสารพัดที่มันจะเป็นเน่ยนะแต่พอเราเริ่มจเจริญสติเราเห็นข้อบอกพร่องอย่างนี้ไง โอ้ไยเราเปคนร้อนคนหลนคนหนุดหงิยังก็เพราะว่าเรามันร้อนแล้วตกนะลงอะไรหลายชาติอะมันก็ตกค้างมาวิบากมันใช่ไหมแต่พอมาเจริญสติมันเริ่มเห็นข้อบอกพร่องนี้ทีละนิดทีละนิดแต่คนที่ฉลาดเขาจะเห็นไวกว่า น, นี้เขาจะแก้ไขได้ไวกว่า น, นี้ไอเราแก้ไขได้เช้ามากเพราะเราไม่ฉลาดนะแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราพยายามแก้แต่บางคนฉลาดจริงเนี่ยแต่รู้ว่าตัวเองผิดพลาดอะไรจะไม่ยอมแก้ไอ้ตรงนี้โง่กว่านะเพราะอะไร พรรู้แล้ม่แก้ถือว่าโง่แต่คนนึงมันรู้มันก็รู้ช้าแต่มันแก้ของมันเรื่อยๆก็ถือว่าฉลาดเห็นไหมเพราะนั้นมันฉลาดเพรามันอยู่ที่ว่ารู้จักแก้ไม่ใช่ว่ารู้ช้ารู้เร็วแก่เรื่อยๆแก้ไม่ได้ก็แก้มอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันแก้ได้เองนะอันั้นก็เรื่าเพียรเพียรให้มันให้ดีขึ้นโอ้เห็นตนเองวันนี้ดีขึ้นนะโอเมื่อวานมันร้อนวันนี้มันเย็นขึ้นเออแสดงว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้น วิปัสนาที่ถูกต้องนั้นจะต้องมายอมรับความเป็นจริงของตนเองตัวเองอ่อนอยังไงตัวเองแข็งยังไงตัวเองหยาบยังไงตัวเองโลนยังไงตัวเองแย่ยังไงให้มายอมรับแล้วก็เริ่มแก้ไขนี่วิปัสนาอยู่ตรงนั้นวัดอย่ตรงนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าปฏิบัติมายังไงก็อย่างนั้นปฏิบัติรู้นะั้นรูนี้พูดได้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่เคยแก้ไขตัวเองเป็นเลยอันนั้นเขาเรียกว่าจำเก่ง ไม่ใช่ว่าเข้าใจอะไรแต่ว่าแก้ว่าตัวเองโอจุดอ่อนของฉันมันตรงนี้นะใครกระทบไม่ได้กระทบแล้วขึ้นปึงเลยนะออ <c oughs> ขึ้นเลยมันก็เราขึ้นสิบครั้งถ้าเราดูมันสิบครั้งเนี่ยมันก็จะรู้ออกไอจุดนี้ไม่ดีนะแล้วก็ดูไฟตรงข้ามเขาแสดงอาการของเราต่อเราอย่างไรใช่ไหมอ่าก็เรื่องของกลัวมึงจะพอใจไม่พอใจไปเรื่ อ, องมันไม่ได้นะใช่ไหมเราอยู่ในโลกในสังคมอ่ะ ต้องดูเขาดูเราพ่าเราพูดอย่างนี้ปฏิกิริยาตอบมันเป็นอย่างนี้เออแสดงว่าไม่ดีแล้วไอ้สิ่งที่เราพูดเราทําบั น, นี้ไม่เข้าทา่าละแต่ก็แก้ไขตัวเองทําออกไปผลตอบสนองเป็นอย่างนี้อ๋อแสดงว่าแต่ถ้าหากว่าคนไม่รู้ความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงก็ฉันทําดีแล้วแกไม่เข้าใจเองแกแย่เองเก็ไปทำดีคนอื่นทุกคนเป็นอย่างนั้หมดนะมาเคยเป็นอย่างนั้นแต่ต่อมาออ พอมาเห็นตัวเองว่าสำรวจตัวเองไอเราก็แย่จริงๆนะแต่ทำไงได้มันเป็นมานานแล้วฉันจะแก้แก่แล้วต่อไปนี้นะก็แค่เริ่มแก้ทีละนิดเลนิดเลนิดดังนั้นไม่มีอะไรแก้ไม่ได้ถ้าเราจะแก้พอเราแก้ายตัวเองเป็นมันแก้ไขสิ่งเล็กๆน้อยเป็นสิ่งใหญ่ๆขึ้นไปก็แก้เป็นอย่างใหญ่ๆเช่นอะไรราคาแก้เป็นโทสะแก้เป็นโมหะแก้เป็น ในราคะโทสมัมมหะก็มีรายละเอียดทั้งหมดอีกนะราคะแบบไหนราคะาพัฒนาไปยังไงมาตามไปดูติดติดอ๋อเป็นอย่างนี้ราคะมันมาจากไหนตามไปถ้าเหตดอะใช่ไหมสมุทยัยหาสมุทยัยพระพุทธเจ้าบอกย ห, หาสมุทยัยราคามาจากอะไรมาจากความพอใจความพอใจมาจากอะไรมาจากความสบายกายความสบายกายมาจากอะไร จากการเกิดการดับของร่างกายเกิดขึ้นมันสบายจช่ไหมดับไปมันเป็นสบายอ๋อเวลาสบายเราก็ไปอยากติดทีเนี้ยความสบายกายอ่ะใช่ไหมความสบายกายถ้าสบายลิ้นเราก็อยากกินเยอะๆถ้าสบายตาเราก็จะเห็นบ่อยๆถ้าสบายหูก็อยากฟังบ่อยๆมันอยากตรงนั้นความไปยึดติดความพอเอ่อความสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว ทรงหัดจูงลิ้นกายทั้งห้านะะยังไม่ถึงใจสมมตว่านั่งเนี่ยไม่สบายใช่ไหมพอพลิกไปมันสบายพอสักพักหนึ่งสบายสักพักหนึ่ ง, งเปลี่ยนเป็นอะไรไเป็นไม่สบายอีกแล้วใช่ไหมวันนั้นสุขกับทุกเป็นอันเดียวกันในคุรานเออมันเริ่มได้เขาคิดอ๋นนอแต่เรเป็นคู่กัน อ, อ๋อ งูอ่ะงูตัวเนี้น่ะส่วนหน others, ึ่งเป็นหัวส่วนหนึ่งเป็นหางอ่ะงูตัวเดียวกันแต่มันอยู่คนละข้างความสุขความทุกข์เป็นอันเดียวกันแต่มันอยู่คนละหัวละหางไอ้ตอนที่ย้ายไปสบายเนี่ยมันเป็นหางใช่ไหมพอนั่งพนานๆมันกลับมาเป็นหัวงูตัวเดียวกันมันคนละข้างสุขทุกข์เป็นอันเดียวกันแต่มันคนละข้างเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะพิกไปมันสบายพอพิกไปไม่ได้พิชไม่สบาย ถ้าสมมุติว่าตัวสบายเขาเรียกว่าสุขเวทนาใช่ไหมแล้วไปสักพักมันเปลี่ยนสุขเวทนาเป็นอะไรเบีทุกเวทนาไม่สบายอ๋อสุขเวทนาเราไปติดทุกขเวทนาเราไปกลัวแล้วสุขเวทนาเราไปติดแล้วสุขเวทนาก็กลายมาเป็นตัวเวทนาที่สองเรียกว่าโสมนัสเวทนา เ, ออเคยได้ยินคำนี้ไหมโสมโสอ่ัสชื่อโสมโสมนัสเเคยได้ยินดิ เวทนาทางกายเปลี่ยนมาเป็นเวทนาทางจิตเรียกว่าโสมนัสเวทนาเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจนะั้นวเราอยากให้พอใจมากๆขึ้นเป็นอะพิชาเพ่งอยากจะให้ความสุขนั้นมากขึ้นเป็นอาการของจิตแล้วใช่ไหมตัวโสมนัสเนี่ยเป็นอะพิชาแล้วอ่พิชาตัวนี้เราก็ยังไม่ตามรู้อีกไม่มีสี่ตามรู้อ่พิชาความเพ่งที่จะได้อยากตามความสุขตัวนี้ก็มาเป็นนันทิ คือดีนคำนี้ไหมนันทิราคะนันทิราคะในไอธรรมจักรกับเปิลนันทิราคะสักการะเนี่ยคือเพลินในความพอใจอันนั้นนันทิแปลว่าเพลินเราใช้คําว่านันทะนันทินันทิก็เราก็ไม่รู้สติรู้เท่าทันอีกนันทิแต่เนื่องมาเป็นราคะอ๋อเห็นไหมกูจะมาเป็นราคะได้มันผ่านอะไรบ้างผ่านสุขเวทนาผ่านสมสะเวทนาผ่านอภิชาผ่านนันทิ ผ่านละมาถึงราคกะเป็นตัวที่ห้าอ๋อมึงมาตรงนี้เองก็ไล่ตามมันไปดิเราก็ถ้าไม่ไม่เจริญสติเราไม่สามารถจะตามมันรู้เลยนะปุ๊บปั๊บมึงมันเกิดเลยใช่ไหมแต่ความจริงเราสั่งสมตัวพอใจในความบุตรสึกทางกายและก็สุขเวทนาพอ <c oughs> พอใจตรงนี้มันก็เป็นขอโทษเป็นอภิชาเป็นนันทิเป็นราคะ <c oughs> พอพอราัะแล้วเราก็ยังไม่กำหนดรู้อีก ราคาตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรตันหาออคืออยากจะให้ความอยากความใคร่เนี่ยให้มันมันมีกำลังกินให้มากนอนให้มากสนุกให้มากแสวงหาสิ่งม า, าตอบสนองให้มากใช่ไหมหาเงินหาทองหาข้าวหาของหารูปสังกี่รถเป็นตันหาถ้าหากว่าตัวตันหาเป็นกามตันห า, าตันหาในกามใช่ไหมยึดติดในกาม การมตรดหาก็ยังไม่ตามรู้อีกไม่มีสติตามดุลการมตรดหาก็พัฒนาเป็นโลภะโลภอยากจะได้ของไว้เยอะๆกินจานหนึ่งก็งหาไว้วันนึงด ห, หลายหลายร้อยจานนอนเตียงเดียวก็หาไว้หลายหบ้านกินฟังเสียงกันเดียวไม่พอฟังดนตรีไหลายอย่างมีขึ้นมาเห็นไหมอันนั้นก็เป็นการแสวงหาเป็นโลภะโลภะก็ยังไม่มีสติกําหนดรู้พัฒนาเป็นอะไรอีกเป็นโลภานุใส เป็นตันหานุใสเป็นโลภานุใสมินิสัยที่อยากได้เรื่อยๆแล้วไม่รู้จักจบจะพอก็จะเป็นตัวกามุปาทานเคยดยินคํานี้ไหมคือหมายความว่าคิดจิตเป็นเรื่องไปสนุกสนานเป็นอุปาทานไปเห็นอะไรก็อยากได้ฟังอะไรเพราะก็อยากเป็นไปยึดอะอุปาทานไปยึดเป็นสิ่งที่ชอบอันไหนไม่ชอบไม่เอาไม่ถูกใจไม่เอาเอาที่สุขใจใกามุปาทาน กามือประธานก็ยังไม่มีสติตามรู้ไปเป็นกีเดชชันละเอียดแล้วว่ากามาสะวะกามาสะวะเป็นอาสะวะละเอียดทึกเลยทีนี้เป็นนิสัยเพราะที่มันจึงไวอ่ะพออยากยัไปป๊อปเลยอยากจะลุกขึ้ลุกป๊อปเลยมันกลายเป็นอนุสัยเป็นเป็นอาสะวะไปแล้วนะยังไม่ทันพอเรามาเจริญสติไล่มันมาเลยกำหนดรู้ความสบายทางกายกันเวลามันสบายก็จะไปยืดมันบางทีมันทุกข์อันนี้สายหนึ่งนะ สายตัวสุขเวทนาพัฒนาจนไปถึงกามาสวาเลยเท่าไรมีกี่ตัวหนึ่งเอานับดูหนึ่งสุขเวทนาพัฒนาเลยสองโสมนั ส, สวเวทนาสามพัฒนาเป็นอภิชาสี่พัฒนาเป็นนันทิห้าพัฒนาเป็นราคะหกพัฒนาเป็นกามฉันทะก่อนเ้าข้าวไม่อันหนึ่งกามาฉันทะเจด็ดพัฒนามาเป็น กา마ตันหา8ดพัฒนามาเป็นโลภะเกพัฒนาไปเป็นโลภานุใสสิบพัฒนามาเป็นกามุปทานสิบเอดพัฒนามาเป็นกาไมาสะวะโอโห้รากมันยาวสิเอ็รากเลยเราก็นนอกเมตเจริญสติก็ค่อ ย, อยตัดทีละรากละรากละรากไปเรื่อยๆรากลึกที่สุดปลายรากที่สุดที่ถอนไม่ขึ้นเลคือกามาสะวะรากที่เห็นเนี่ข้างบนเนี่ยเป็นเราสุขเวทนา เราก็พลิกไปพลิกมาเพื่อจะให้สุขเวทนาอันนี้ในในสายสุขเวทนานะจะหมดเวลาไม่ต้องสายทุกขทุกเวทนาผู้เวทนาไว้เริ่มต้วนวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่เราเห็นแล้วอย่างนี้อย่าท้อเพราะว่ารากทุกรากเนี่ยเวลาเรามีกําลังพอก็ไม่ใช่ว่าไปคอยตัดทีลรากโยมเคยถอนต้นไม้ไหม ถ้าแรงดีเนี่ยถอนขึ้นหมดทีเดียวหมดเลยใช่ไหมถ้าแรงไม่ดีเป็นไงโด oh, <God. S 1> นขาดนะลากยังอยู่พอเดี๋ยวพอได้น้ำได้ปุ๋ยงอกขึ้มนมาใหม่ใช่ไมหม <c oughs> ต้นเล็กเล็กถ้าลากลึกๆกก็ยากเออเล็กเล็กก็ากลึกลึกก็ยากแต่ถ้าลากตื้นตื้นโอเคไหมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ความไอความสุขความพอใจมันยังไม่กินลึกพอถอนได้อยู่ อย่างสมมติ อ, อาหารบางอย่างเราก็กินก็ได้ไม่กินก็ได้ใช่ไมแต่อาหารบางอย่างต้องกินมันอยู่ใกล้ขนาดไหนแพงไหนฉันก็ต้องกินเนี่ยอันนี้ลึกแล้วที่จะถอ น, นอ่าประเภทนั้นด้วยนะอันนี้กินลึกรลดัอืมเพรนั้นในการเจริญสติจึงมีความหมายอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเจริญสติสมาธิปัญญาไปแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ไม่เป็นไม่มีความหมาย นะมียาแต่รักษาโรคไม่เป็นก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราจะถึงศึกษาไปด้วยทั้งสองส่วนศึกษาเราปฏิบัติก็ทําไปด้วยปริยัติคือฟังให้เข้าใจก็ทําไปด้วยเพราะถ้าเราเข้าใจเราจะทําถูกทําถูกแล้วมันก็จะเห็นผลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วทาไม่ถูกทาไม่ถูกไม่เห็นผลก็ท้อก็กเบือ่อก็เลิกใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมจึงมีปริยัติแล้วปฏิบัติแล้วผลที่เราได้รับคือเรียกว่าปริเวศนะ ทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งว่าความเชื่อมต่อระหว่างเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตเนี่ยมีตัวไหนเป็นตัวเชื่อมว่าเวทนาทางกายที่จะไปเป็นเวทนาทางจิตได้เนี่ยมีตัวไหนเป็นตัวเชื่อมไม่ให้มันไปสู่จิตได้ไหมเวทนาทางกายความสบายไม่ให้มันเป็นโสมนัสสะเวทนาได้ไหมให้มันสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนา สุขจากตะวันสุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมสุขก็คือสบายคือความสบายไม่ใช่เราสบายเราอยากสบายอันนี้คือความสบายก็รู้ความสบายเท่านั้นเอง<ส>มีสติตามรู้แล้วใช่ไหมขาดไม่ลากนี่ขาดไหมไหมายความความพอความรู้สึกสบายทางกายที่มันจะไม่ไปทําให้เกิดความพอใจเนี่ยถ้ามีสติตามรู้ขาดไหมมันกํากัดอยู่แค่กายใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าสัตว่ารู้ เวทนาสักแต่ ว, ว่าเวทนาเวทนานี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นนั่งไปนานะปวดเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ดีสกุบใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไปดิสกุบพอนั่งไปหน่อยเจ็บนิดก็เปลี่ยนเจ็บหน่อยก็เปลี่ยนแล้วทีนี้พ่ออะไรมันทนไม่ได้นะเพราะนี้เราต้องทนหน่อยถ้าไม่ทนเนี่ยมันก็ไม่เกิดกําลังแต่ก็ไม่ถึงกับทรมานนะทนไปจนถึงทรมานอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วทนหน่อยสมมุติว่าเราจะ ขงข้าวเนี่ยถ้าข้าวเนี่ยมันจะอาศัยความต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงเข้าหม้อนี้ถึงจะสุกแต่ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราไปปลดปลักออกข้าวสุกไหมไม่สุกความสุขขเวทนาที่จะเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาเราทนได้ครึ่งชั่วโมงจิตมันถึงจะนิ่งแต่ถ้าเราไม่ยอมทนถึงครึ่งชั่วโมงวกวกเปลี่ยนไปเป็นมาปั๊บเรียกว่าสุขเวทนา เราไปติดสุขเวทนาหม้อข้าวมันเย็นหม้อข้าวมันไม่ร้อนพอมันก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นเราจะไปว่าทุกเวทนาไม่ดีไม่ได้นะแต่เราใช้มันเป็นถ้าเรามีสตินในการใช้ทุกเวทนานั่นเองจะทําให้สุขนาเปลี่ยนเป็นปัญญาเปลี่ยนเป็นขันติเรื่องนี้คือรายละเอียดแต่อะไรเล่าที่จะมาทําให้เราเห็นสุขเวทนาทางกายสัตว์วิสุข อะไรมาทำให้เข้าใจอย่างนี้ตัวอะไรตัวสติที่เราฝึกนี่แหละเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงสุขเวทนาให้เป็นเพียงสุขไม่ให้มันไหลไปเป็นพิษกับจิตนะเพราะฉะนั้นในจุดเนียสำคัญว่าที่เรามาทำถ้าสุขเวทนานั้นตามถูกตามรู้เลย ว, ว่าสุขเวทนาที่ประกอบด้วยวิชาใช่ไหม แสุเวทนาไถูกจำรูถูกเวทนาประกอบด้วยอวิชานี่ตัวนั้นเป็นตัวแบ่งเส้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปเรียนรู้ตัวรู้มากมายเราก็มาเรียนแค่สองตัววิชาคือความรู้สึกตัวอวิชาแปว่ารู้สึกตัวใชมวิชาแปลว่ารู้ตัวอวิชาแ t ลว่ารู้อวิชาแปลว่าหลงก็ได้หลงก็ได้วิชาแปว่ารูตัวอวิชาแปว่าเผอก็ได้แปลง่าย ถ้าไปแปลยากมันก็เป็นยากแหละแปลให้มันใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยนะอดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงเห็นความสําคัญของตัวรู้ใช่ไหมความรู้สึกตัวที่เราเห็นความสําคัญเมื่อเห็นความสําคัญเราก็จะเก็บได้ถี่ยิบเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนนี่เราจะหว่งเอาแต่เงินร้อยเงินพันวิลล์หลักใช่ไหมแต่คนจีนมาจากประเทศจีนมาค้าขายมาเราเก็บตั้งแต่สตางค์ไปไม่นานมาอยู่ตึก คนไทยคาที่จะเอาเหมื่นเอาแสนเอา้านไม่นานมาอยู่กระตอ๊อปมันขาดทุนมันรอคนแอมมันล้มเหลวหวังจะเอากําไรไดเยอ ะ, ยอะในที่สุดโจนติดนี้ตีสินปลึงพึ่งพืชไปแต่คนจีนหอบเสือ้อผืนมอนไใ้มาเก็บที่ได้ต่างสองตงังสามตังไปขายถู ก, ถ, กถูกขายให้เยอะๆคนจีนใช่ไหมคนไทยขายเอากำไรทีเดียวเลยก็ไม่มีใครอยากซื้อค้าขายก็ไปไม่ได้สู้คนจีนไม่ได้คนจีน เอากำไรนิดหน่อยแต่ขายได้เยอะๆะดีกว่าเนี่ยมันฉลาดตังกันนย่งนัฉันใดก็ดีการที่เราเก็บความรู้สึกตัวเล็กๆน้นอยๆเก็บไปหมดมันจะรวยเร็วสติจะเข้มแข็งได้ไวไม่ใช่โหลงมือปฏิบัติเอาเต็มที่นะกึ่งกลงกึ่งางึ่งงพอเบื่อมาเลิกหมดเลยลุกไปก็ไม่ได้เก็บอีบุเล็กอี บ, อบน้อยหลุดหมดเลยนี่ก็เรียกว่าค้าทีเดียวเอารวยปรากฏวภภ่าเป็นนี่ อยู่เลองเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นแบบไหนจะเป็นคนจีนหรือคนไทย <c oughs> ไม่เป็นคนยีนก็ได้แต่เป็นคนลาวดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สนุกนะปฏิบัติแล้วมันสนุกแต่ทําไมมามองเห็นทําคนอื่นเขาเบื่อไม่ไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าเก็บไม่เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยเกไปหมดเพราะดังได้กล่าวว่าเอามาเป็นคนผิดพลาดมาก่อนถึงรู้ว่าอะไรมันมันควรจะแก้ไขอ ย, อย่างไรเพราะเราทําซ้ําำไง บทเรียนเนี่สื่สารซ้ํำๆอยู่นั้นร้อยขนพันขนนะมันจะต้องแตกขึ้นได้เหมือนโยมทุบหินนะ่ะทุกครั้งที่หนึ่งไม่แตกครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่หทุกมันซ้ำๆอย่างนั้นนะ่ะเพราะสมัยเป็นเด็กเอามาเคยไปตีหินนะไปหินรับจ้างนะตีเป็นหลาหินเขาโอ้ดก้อนเรืองมือนึ่งนาดนี้เราก็มาตีออกมาตีป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกก็แตกมาทีเล่นนิดเนียววันละหลาหลาละเท่าไหร่รู้ไหมหลาละแปดบาท หินหนั่งกองนะคำว่าหลานที่กว้างหลา้ายาวหลานนี่นะตีปอกปอกโอ้ถ้าเกิดมาสบายอย่างกลุ่มในวันในแทนในทีวันที่หลวงพ่อบรรลุทําไปนานแล้วนี่ก็เกิดมาจนแล้วก็แต่เรามีความพยายามแต่เกิดมาสบายแล้วมีความสุขนี่ก็ทําให้ขยันก็จะแย่กว่าหลวงพ่ออีกนะมัมจะช้านะต้องขยันกว่าหลวงพ่ออีกแล้จะไปบรรลุทําได้ไวนะหลวงพ่อชา้าเพรอะไรเพราะมัน เริ่มจนมาไม่ดีอ่ะใช่ไหมเราเป็นจนเราก็หาเจ้ากินข้าวอีลูกคุกคุยไปตามเรื่องตามราวพอมาตั้งตนปฏิบัติแต่ว่าไอ้ความยากลําบากที่แต่เล็กแต่น้อยเอาะมันเป็นบาดฐานให้เรามีความอดทนเป็นบาดฐานให้เรามีความขยันอันนั้นพื้นฐานที่ดีนะแต่สมัยนั้นเราก็ที่มาเป็นความยากจนความทุกข์ยากใช่ไหมแต่พอมาถึงจุดนี้โอ้ถ้าฉันไม่ผ่านประสบการณ์นี้มาเนยความอดทนความท้อหดอดทนความตั้งใจของฉันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ ฐานทั้งหมดที่ผ่านมาด้วยความทุกข์ยากมันกลายมาเป็นอะไรเป็นขันติบา ร, รมีเป็นวิริยะบา ร, รมีเป็นปัญญาบา ร, รมีนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เอามาถึงบอกว่าวิปัสสนาเนี่ยมันทําให้เราไปตกเบิกสมบัติเก่าเราได้ที่เราทุกข์ยากลำบากมานานเท่าไหร่เราตกเบิกได้หมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําวิปัสสนาะนะไอ้สิ่งที่เราทํามาเก่าแก่ไม่ว่าบาปไม่บุญนะมันตกเบิกไม่ได้ จะใช่ว่าในส่วนที่ที่ดีๆที่เราทําไปตกเบิกไม่ได้แต่มันจะตกเบิกเอาบาปมานะจะขัดทุนดังนั้นเองในชาตินี้ไม่ต้องหวังอะไรหวังว่าขอให้เข้าใจวิปัสนาตามความเป็นจริงเป็นสมาทิฏิเท่านั้นพอไม่ต้องอะไรมากถ้าหากว่าได้เข้าใจวิปัสนาตามความเป็นจริงได้สมาทิฏฐิมันก็เท่าได้เท่าก็ได้คุณแจเปิดเข้าประตูพอแล้วใช่ไหมเมื่อคุณเข้าประตูคุ้มซับได้ ทรัพย์ที่อยู่ในทั้งหมดของคุณหมดอ่ะใช่ไหมแต่ขอให้ได้ตัวนี้ <Okay. S 1> อ่ากุญแจคือสติปัญญาสี่กุญแจดากเอกไปดูหนังสือโนวเทียนกุญแจดากเอกน่งพ่อก็เลยเอาเอาให้คนเขาแปลเพราะว่าแปลเป็นสังกิตเลย <Okay. S 1> แล้วก็มาขึ้นเฟซให้คนอ่านโอ้คนอ่านท่นเยอะดังนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนไม่ใช่เป็นเรื่องยาก แต่เป็นเรื่องหน้าทําเป็นเรื่องหน้าศึกษาแต่ทําให้เป็นศึกษาให้เป็นเก็บเล็กผสมน้อยจากต่างๆนะแล้วก็เป็นคนชอบสังเกตสังเกตสังเกตว่าอะไรกำลือขึ้นตั้งอยู่ดับไปออกมานอกวพ่อเห็นบอออกมานอกถ้ออกาเห็นว่าใช่ไหมเราพงจะเห็นถ้าทั้งหมดคือออกมานอกตัวนอกตอนออกมาจากนอกความคิดออกมาจากนอกตัวตนของตัวเองจะไปคิดว่าเราเนี่เป็นเราฉันนะ เคยรู้ไหมฉันเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยอันนี้กคือตัวโดนเต็มที่เลยใช่ไหมเราก็ออกมาเนี่ยอ๋ออันนี้คือท่าสี่ขันห้ากายกับใจใครจะเจตสิก mm hmm. มันหมายถึงตัว mm hmm. ที่เริ่มที่จะก่อเป็นคิด mm hmm. มันแต่ไม่ยังเต็มที่คล้ายคเป็นเจตนาถ้าเตจตนาเรามีสติรู้เขาเรียกว่าเจตนาใช่ไหมแต่เจตสิก hmm. เ mm hmm. นี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราเริ่ม mm hmm. นะ เริ่มแต่ว่าตัวสติเขาเป็นจุดเจตสิคืออาการของจิตอ่ะอาการมันจะเจติเตจสิกเป็นตัวกลางๆใช่ไหมเป็นโสพนาเจตสิกก็ได้โสพนาเจตสิกก็ได้คือเจตสิกที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อาการของของจิตจิตมันเป็นอาการอย่างเงี้ยถ้าจิตไปทางดีเขาเรียกว่าโสพณาเจติสิกถ้าจิตมันคิดไปทางไม่ดีเขาเรียกว่าอโสพนาเจติสิกนะเพราะนั้นอาการของจิตนะ อาการเป็นอย่างไรขณะนี้เวลาเรานั่งเป็นรนานมันหนักเนี่ยอาการของจิตเป็นไงพอใจหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็เป็นอสุพนะเจตสิกไม่งามจิตไม่งามแล้ะแต่ถ้าหากพอใจจิตมันงามก็เป็นโสพระเจตสิกดังนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วก็พยายามสังเกตสังขารจะลุกจะนั่งจะยั่งจเจริลนแต่ละขณะมีความหมายมากนะไม่ได้แต่เหยียขาเนี่ยดูอาการเก็บเล่พสมน้อยไป นะเพราะฉะนั้นโอ้หมดเวลาพอดีสามทุ่มเป๊ะเลยนะมดวง่ายเลยนะเออมัวนไว้เลยนะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรียนรู้เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงเพื่อที่จะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองให้มันเหมาะมันงามให้มันสะอาดมันใสสะอานให้มันเรียกมันเก่า เราก็จะรู้สึกพอใจว่าออันนี้เป็นบุญของเราแล้วก็ให้มีจิตใจที่ใสสะอาดและเข้าใจในสิ่งในธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยกันทุกคนทุกท่านถือกัน